นักมารุทยาสาวถอนใจเบาๆมองดูบุหรี่ในมือที่ส่งควันอยู่กลุ่นๆไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกชา ย, ยานันหล่อนพูดแผ่วเบาน้ำเสียงเศร้าเต็มไปด้วยแววกังวลเป็นทุกข์ฉันคิดถึงพี่กลางอย่างไรบอกไม่ถูกมารูษษ้สึกเอามากในคืนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่รู้ว่า<ม>พวกเราได้มานอนพักอยู่ตรงที่ซึ่งเขาเคยนอนมาก่อนแล้วเลยทาให้นอนไม่หลับเวนกรรมอะไรก็ไม่รู้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 นอกจากความเป็นอันหนึ่งอันเดียวเสมือนเราเป็นสายโรฮิตคลานตามกันออกมาตลอดไปเช่นนี้ชัยันตอบท่อตาเ mer อ, ออกไปดูแสงไฟในกองแววตาแฝงรอยคืึมเศร้า ล, ลึกซึ้งควักบริออกมาจุดสูบขึ้นมาอีกมวนหนึ่งอัดควันลึกเธอก็ได้อยู่แล้วในสิ่งนั้นฉันก็พอใจที่สุดแล้วชัยันฮ้เคยคิดที่จะแต่งงานกับฉันบ้างไหม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 ฉันฉันอาจพยายามก็ได้นะร่อนกระซิบเหมือนรำพึงตาทอดไปจับอยู่ที่กองไฟกองเดียวกันอีกฝ่ายหนึ่งยิ้มมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกน้อยฉันจะเป็นตัวนำทุกท ร, รมานไหมเธอเสียปเปล่าซึ่งฉันเองก็ไม่ต้องการให้เป็นเช่นนั้นอย่าเป็นห่วงฉันเลยในด้านนั้นอย่าใช้ความพยายามถึงอย่างไรมันก็ไม่สาเร็จในเมื่อหัวใจมันไม่มีอยู่เป็นทุนจงรักฉันอย่างที่เธอรักเชิฐาและอนุชาเถิด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 และเร็วที่แก้มของชัยยันแล้วเอนตัวลงนอนหลับตาพลิกตะแคงไปดังด้านพี่ชายที่นอนขนาบอยู่อีกด้านหนึ่งปล่อยให้เพื่อนชายนั่งสูบบุหรี่เงียบๆอยู่คนเดียวพร้อมกับห่วงคิดที่ไม่มีสิ่งใดสามารถถ่ายถูกได้ชัยยันสูบบุหรี่จนหมดตัวนั่งกอดขาวสดับฟังเสียงไพร ล, ลึกยามราตรีอีกครู่หนึ่งก็ปิดปากหาวซุกตัวเข้าไปอยู่ภายใต้ผ้าคลุมแล้วก็ผล็อย ห, หลับไปง่ายๆตามนิสัย จากเสียงกลนเบาๆได้ระดับของชายยันอันแสดงว่าหลับสนิทแล้วนั่นเองผู้ที่นอนเอาหมวกครอบหน้าขนาดอยู่ทางด้านขวาจึงค่อยๆไหวตัวอย่างเบากริบเสยปีกหมวกขึ้นด า, าลินวราดิษเข้าใจปิถนัดเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่เพียงหล่อนและชายยันเท่านั้นที่ตื่นสนทนากันอยู่หากต่ยังมีใครอีกคนหนึ่งที่ยังไม่ได้หลับลงเลยแม้แต่ยีบเดียว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 ง้างนกไล่อยู่ในมือเพิ่งจะลดนกสอดกับเขาสองข้างเอวเมื่อมายืนอยู่ตรงหน้าเขาพระพิณภัยวันยิ้มเหนื่อยหนื่่าเสียดายที่ไม่ยิงใส่ฟืนเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วแล้วทำไมถึงยังไม่ไปนอนนอนไม่หลับทำไมมันหนาวต้องลุกขึ้นมาผิงไฟชายพวกผมทางด้านชายยานเหลืออีกตั้งร่วมว่า ทำไมไม่นอนน่ชิดเข้ามาแล้วเอาชายผ้าห่มนั่นลูกจา้างไม่อาจเอื้อมพอที่จะห่มผ้าห่มผืนเดียวกับนายหมันไส้เมื่อไหร่จะเลิกสมบัติสํานวนชวนเกลียดที่นหน้ายอย่างนี้เสถียีฉันพยายามจะญาติดีกับคุณจนถึงที่สุดแล้วนะนไหนๆก็ร่วมหัวจมท้ายกันจนถึงขั้นนี้แล้วขอบพระคุณเป็นอย่างมากในความพยายามโปิดอย่า ก, กังวลกับผมเลยอย่าลืมว่าฉันเป็นนายมีสิทธิ์ที่จะออกคําสั่งได้ รัพิน ผ, ผุดลุกขึ้นมองจ้องหน้าแต่เดี๋ยวบีบคอตายเลยคำก็นายสองคำก็นายจะข่มคู่กันไปถึงไหนร้ายกาจริงรัพินที่นี่บังอาจสามหาวกับฉันถึงเพียงนี้ทีเดียวหรอรัพินร้องออกมาเสียงสั่นลืมตาโพงหน้าแดงกำเอาสิจะบีบคอฉันก็เอาเชิญพลานใหญ่ถอนใจเฮือกแววตาโรยลงบางขณะผมเป็นคนกกค่ะหยาบช้าผมเสียใจ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 มีหน้ำสามยังสวมถุงหนังและสุดแรงโทราสะมันก็เกือบพอๆกับมือผู้ชายทีเดียวเลือดค้นไหลปีออกมาจากมุมปากของรพินภัยวันผู้ยืนหลับตาหน้าชาหูรั่นกลิ่งไปทั้งแถบตกอีกหรือจะให้ยิ่งไปกว่านั้นอีกก็เอาเปรยยังไงละ่ะรับรองว่าจะไม่หลีกหรือหลบเลยดาลินตะลึงผงะหลังไปเลกน้อยเมื่อมองเห็นเลือดจากริมฝีปากของเขากายสั่นเท้ากัดริมฝีปากแน่น แล้วทันทีนั่นเองก็ยกมือขึ้นปิดหน้าร้องไห้กัะซิกออกมาถูกแล้วผู้หญิงยากนักที่ผู้ชายจะเข้าใจอย่าร้องไห้ดังไปประเดี๋ยวคนอื่นตื่นมาเห็นเสียงเรื่อยๆดังมาให้รอนได้ยินเอาละเป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้แต่ขอให้ได้ยินว่าขอโทษคืนนี้ไม่มีแรงเพราะโกรธมากนอนเอาแรงเสียพรุ่งนี้ตบใหม่ก็ได้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 คุณหญิงไม่ควรเดินทางมาในครั้งนี้เลยหรืออย่างน้อยก่อนจะออกเดินทางมาก็ควรแต่งงานกับคุณชายยานเซ็ตก่อนมันจะเป็นกุศลกับผมไม่ใช่น้อยดาลินเอาผ้าเช็ดหน้าซับน้ำตาแล้วถอยร่างอย่างหมดเรี่ยวหมดแรงไปนั่งบนขอนไม้เสียงเครือสะอื้นถ้าเรามีชีวิตรอดกลับมาได้ในการเดินทางครั้งนี้ฉันตั้งใจไว้แล้วที่ฉันจะแต่งงานกับเขาแล้วหล่อนก็เงยหน้ามองดูเขา กระชากเสียงมาปนร้องไห้ไม่ต้องมาเสอแน่หรอกไม่ใช่เรื่องของคุณครับผมมาเสอเสอไปซสี ย, สยหมดทุกอย่างกลับไปนอนเสเถะไม่ไปถ้างั้นผมไปเองไปเหอะรพีนหมุนตัวกลับเดินดุ่มตรงไปยังที่ของเขาแต่ก้าออกมาได้เพียงสี่ห้าก้าก็ชะงักหันกลับมาดูเห็นหม่อมราชวงศ์สาวเจ้าอารมณ์นั่งเอามือเท้าคาง มองดูกองไฟอยู่เช่นนั้นแล้วก็ตัดสินใจเดินกลับไปที่ล้มตัวลงนอนหลับตาเสียนานเท่านานดาลินคงนั่งซึนอยู่ที่เก่าครั้นแล้วเงาอันสูงใหญ่ของใครคนหนึ่งก็ค่อยๆลุกขึ้นเดินตรงเข้าไปที่รอนอย่างเ ช, มช่มฉาคนนั้นคือคนใช้ชาวดงแง่ทรา ย, ายนายหญิงลุกขึ้นมานั่งอยู่ทาไมคนเดียวเสียงห้าวทักมาจากฝั่งตรงข้ามของกองไฟที่ขวางหน้าอยู่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 ในตาคมลึกเป็นประกายจากใบหน้าสีทองแดงนั้นจับนิ่งมาที่หลอนพร้อมกับอาการยิ้มน้อยๆมีอะไรที่แง่ทายจะรับใช้นายหญิงได้บ้างข่าคนคนนั้นถ้าเธอทำได้ดาลินพองออกมาโดยไม่รู้สึกตัวพร้อมกับบุยปากไปทางร่างของพรานใหญ่ที่นอนหงายเหยียดยาวสงบนิ่งอยู่ใกล้ๆกับชายยันห่างออกไปหลอนเห็นคนใช้ชาวโ่งแยกเคี้ยวเห็นฟันเป็นเงาวับ และทันทีนั้นก็เคลื่อนออกจากที่อย่างเบากริบตรงดึงอ้อมเข้าไปทางด้านศีรษะของนภินผู้นอนนิ่งอยู่เป็นหนึ่งอาการของผู้สมิงที่ย่องเข้าหาเหยื่อตามประกาศสิทธิ์าราที่เจ้านายใช้มาด้วยอารมณ์แล้วก็มาหยุดยืนเป็นเงาทะมึนอยู่ห่างเพียง 2-9 ก้าวสมมุติว่าถ้าแกได้รับคำสั่งให้มาฆ่าฉันแล้วก็ลงมือได้จอมพานพูดขึ้นมาอย่างแผ่วเบาราบเรียบทั้งทั้งที่ดวงตาปิด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 ให้มันตกลงมาเสียก่อนแล้วค่อยแก้ไขคอยเฝ้านายหญิงของแกไว้ด้วยถ้าเธอยังไม่กลับเข้านอนแกจะนอนเป็นอันขาดฉันจะหลับละแง่สายถอยห่างออกมาดารินผ่อนลมหายใจที่กลั้นไว้ออกมายาวเยือกไม่เจ้ากลุ่ช้ชาวโดวงเดินหน้าตาเฉยกลับมาที่รอนอีกครั้งฝืนใจถามว่าย่องเข้าไปจนถึงคอหอยแล้วทําไมถึงถอยกลับมาเสียยังไม่ได้โอกาส เขาหลับสนิทเมื่อใดแง่ทายจะลงมือเมื่อนั้นคำตอบนั้นทำให้คนได้ยินถึงกับใจหายตายละนี่จะทำยังไงดีไม่ต้องนั่งเฝ้าคนคนนั้นตลอดทั้งคืนหรือพ่ออุตริพรางปากออกไปเช่นนั้นแต่ไหนแต่ไรมาแล้วพิสูจน์ได้ว่าเจ้าคนใช้ชาวดงของหล่อนคนนี้สามารถปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างตามคำสั่งของหล่อนได้เสมอไม่มีบุกพ่อง ลักษณะท่าทีของมันที่ย่องกลึบเข้าไปยังพรานใหญ่ทันทีที่รอนออกคำสั่งก็บ่งชัดอยู่ว่าเอาจริงแบบถือบัญชาประกาศสิทธิจนหลอนถึงกับต้องใจหายใจควม่มภาวนาอยู่แง่ทายจะเข้าใจบ้างหรือเปล่าว่าคำพูดของรอนปราศจากความหมายใดใดทั้งสิน้นมันเป็นเพียงแค่การระบายอารมณ์ค้างของผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้นรวมทั้งการประชดแดกดันซึ่งตรงข้ามกับหัวใจใครจะนึกว่า จะมีจะโง่เ ง, ง่าพาซื่อเช่นนั้นดาลินคำหนึ่งกับตนเองอย่างขวัญระทึกพยายามอ่านสีหน้าและแววตาของเจ้าคนดงร่างยักษ์ผู้เปรียบประหนึ่งท่าผู้ซื่อสัตย์ของรอนแต่ก็อ่านอะไรไม่ออกจากเขาหน้าตายอันดูยากนั้นน้นไปครู่ใหญ่คนที่ใจมีเฮี้ยมจริงเหมือนปากก็ต้องยอมแพ้เพราะถูกสอนคนเอาเสียอย่างสนิท ต, ตามไม่ทันแง่ทายรอนหลุดปากออกมาตะกุกตะกัก นายหญิงไม่ต้องกังวลแง่าสายกระซิบอาการขึนขังน่ากลัวถ้าแง่ท า, ายฆ่าผู้กองไม่สําเร็จยอมให้ตัดหัวหนายหญิงนอนให้หลับสบายเถิดตื่นมาพรุ่งนี้เช้ารับรองว่าแม้แต่ศพของเขาก็จะไม่มีใครเห็นจะไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาจะหายไปเฉยๆแล้วแง่ท า, ายจะนําทางให้เองไม่ย่านะดาดินร้องลัน่นออกมาอย่างลืมตัวกายสั่นอย่าฆ่าเขา อย่าทำเป็นอันขาดได้ยินไหมองครักษประจําตัวของหล่อนทําสีหน้าตื่นประหลาดใจเหลียวมองไปรอบๆกิริยาป็นหนึ่งระแวงแผวเสียกระสิบเบาลงอีกนายหญิงไม่ได้สั่งแงซ้า ย, ายให้ค่าเขาหรอกหรืแยซายขอผัดให้ผู้กองหลับก่อนแล้วจะลงมือทําไมนายหญิงกลับใจเร็วหญิงสาวสั่นสีษะโดยแรงจนผมกระจายหล่อนตกใจเอาจริงๆพูดปากคอสั่นฉันพูดเล่นนะ เข้าใจไหมฉันไม่ได้หมายความว่าที่จะให้เธอฆ่าเขาจริงนายหญิงพูดเล่นเจ้าคนดวงพูดลึกลับทำสีหน้าซื่ออย่างสนิทดาลินยกมือรูปอกหน้าซีดตายแล้วท้อนี่เกือบไปแล้วสิถ้าจะถือว่านั่นเป็นคำสั่งฉันก็ได้ถอนคำสั่งแล้วโดยเด็ดขาดอย่าทำอะไรเขาไม่ว่าหลับหรือตื่นต่อหน้าหรือรับหลังและเมื่อไหร่ทั้งสิ้น ไ, ได้ยินไหมรับคาสิ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 ปริมาณน้ําฝนที่รดนลงมาบนหลังคาขังเป็นแอ่งเพิ่มน้ําหนักถ่วงลงมาจะต้องคอยใช้ไม้งามค้ำยันให้น้ําขังอยู่หากเทลงกับพื้นอยู่บ่อยๆการไม่ให้หลังคาที่ขังน้ําไว้ขาดลงมาเต็มไปด้วยความทุรักทุเลเทอมานยิ่งสนุกจริงให้มันได้อย่างนี้สิโอยเทวดาชายยันสะบดอบนั่งกอดเข่าคางสันกระทบกันหงึกหงึกดีเลิกเย็นอย่าไปด่าเข้าเดี๋ยวเทเจ็ดวันเจ็คืนก็ตั้งนั่ง ต้องนั่งเป็นลิงอยู่บนต้นไม้กันหมดเท่านั้นเชษดถาบอกอย่างอารมณ์ดีกางเสื้อฝนซึ่งคณะมีติดตัวมาเพียงตัวเดียวกลุ่มให้น้องสาวผู้ขดตัวเย็นสถานอยู่ตรงกลางและบอกให้ทุกคนเบียดชิดกันเข้ามาอีกราตีรอบด้านมืดนิดไปหมดดูเสมือนอยู่ในเหวนรกไม่เห็นอะไรและไม่ได้ยินอะไรนอกจากพายุที่พัดกิ่งไม้ครางอยู่คืนครันและเสียงที่เทจากลงมาราวกับฟ้าร่วดเท่านั้น มันตกหนักอยู่ประมาณชั่วโมงเศษพายุก็สงบสายฝนหรือเพียงพรำๆได้ยินน้ําจากในลำห้วยที่เคยแห้งใกล้ๆที่พักไหลอู้เชี่ยวกรากแทระ ง, งมประสานกันกันกบเสียงกบเขียดที่ร้องอยู่รอบด้านทั่วไปเพราะได้น้ําต่างนั่งพิงกันหลับนกตลอดครึ่งหลังของราตรีจนกระทั่งสว่างคาดม่ถึงมาก่อนเลยว่าฝนจะตกกลางคืนพรานใหญ่บอกกับนายจ้างของเขาเมื่อทุกคนตื่นขึ้นอีกครั้งตอนฟ้าเริ่มสาง ไม่งานยอมเสียเวลาตัดไม้มาปลูกล้านยกพื้นไม่ต้องเปียกฝนเหมือนอย่างเมื่อคืนเรื่องเล็กทดลองชิมกันซิบ้างก็ดีเชิดถาตบไหลเขาบอกมาอย่างไม่อินังต่อเหตุการณ์มันเป็นเช้าของอีกวันหนึ่งที่ดารินวราฤิษิเงียบขรึมผิดสังเกตไปล่าเะสษะกุลสาวกับพรานหนุ่มไม่สศตามองหน้ากันเลยแต่เชิาและชายยันไม่มีอะไรเฉลียวคิดค้นพบเข้าใจว่า มันเนื่องมาจากการ ก, า ก, กรากรำหนักต่อการเดินทางทำให้หญิงสาวขรมสงบเคร่งเครียดลงขณะนั้นเองระหว่างเตรียมเก็บของและหุงอาหารบุญคำกับขยินผู้ชวนการเดินลองอไปตักน้ำมาสำรอง <c oughs> ก็พากันจ้ำอ้าวหน้าตาตื่นเ ล, ลิกกลากขึ้นมาทั้งสองคนต่งลิ่วเข้าไปซุบซิบอะไรกับจอมพานผู้บาดนี้กำลังช่วยเกิดกับเสยมัดหอสัมภาระอยู่ชา ย, ยานหันไปสังเกตเห็นความผิดปกตินั้นก็สะกิดไปยังเชิฐา แล้วต่างมองจับอาการของคนเหล่านั้นอย่างสงสัยระยะเหมัอนห่างออกไปประมาณ29ชายยันอดรนทนอยู่ไม่ได้ขยับจะอ้าปากตะโกนถามออกไปแต่เช่ถายก้มือห้ามไว้แล้วเดินตรงเข้าไปทันทีชายยันกับดาลินตามติดเข้าไปด้วยเกิดอะไรขึ้นและวผินกัดลิ้นฝีปากสีหน้าเต็มไปด้วยความคลางแคลงพิศวงใจอย่างไรพิกลคว้าไร่เฟินประจําตัวที่พิงอยู่ข้างๆ ข, ข, ขึ้นมาถือ มองหน้าเชิฐากับชายยันสลับกันอยู่อึดใจก็บอกต่ตําๆว่ามันพิรุกเสียแล้วหระครับสองคนนี้บอกว่าลงไปพบรอยตีนคน ย, ย่ําหยุดกลืนในลําห้วยข้างล่างนี่เป็นรอยใหม่สงสัยว่าจะตอนที่ฝนตกเมื่อคืนนี้เองรอยตีนคนนายจ้างทั้งสองอุทานออกมาพร้อมกันลืนตาโพงมันจะเป็นไปได้ยังไงคนที่ไหนกันจะมาเดินย่ําอยู่ตอนฝนตกเมื่อคืนและในป่าเขตปลอดมนุษย์ตรงที่เราพักกันอยู่นี่ ผมก็สงสัยอยู่ลงไปดูกันเถอะครับพร้อมกับพูดเขาออกเดินดุมตัดทางอันเทราบนั้นลงไปทันทีโดยมีบุญคำกับขยินนำารีวลงไปก่อนขณะนายจ้างช่วยได้โดยเฟื่อนประจำ ม, มือตามติดลงไปโดยเร็วโดยสั่งให้แง่ซ า, ายกับจันทิงสองคนอยู่เฝ้าของและคอยดูไฟหุงหาไม่กี่ชั่วอึดใจทุกคนก็พากันตัดทางด่านแคแบๆลงมาถึงปายลาห้วยตอนหนึ่งซึ่งแยกออกเป็นสองแคว ขณะนี้น้ำสีแดงขุ่นคลาบอันเกิดจากฝนที่ซะไว้ตั้งแต่เมื่อคืนไหลซอบผ่านอยู่ริกๆมีระดับเลือกเพียงแค่ฟุตเดียวทั้งๆที่ฝั่งห้วยกว้างและสูงชันถึงสองเมตรแล้วต่างก็พบบความประหลาดใจขีดสุดพากันยืนงนันจ้องลงไปยังพื้นห้วยแ ฉ, ฉะเบื้องร่างมันเป็นพื้นสีแดงลูกกลังดินร่วนซุยบางแห่งก็เป็นดินเหนียวสิ่งที่บุญคาและขยินรายงานตรงตามจริงทุกอย่างนั่นก็คือ บริเวณพื้นดินก้นห้วยแห่งนั้นมีรอยตีนของอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งควรจะเป็นมนุษย์เดินย่ำอยู่กราดเกลื่อนฝนที่ตกไว้เมื่อคืนนี้เองทําให้ร่องรอยเหล่านั้นปรากฏอยู่อย่างชัดเจนและพินกระโดดทิ้งย่อดจากฝั่งห้วยลงไปยังเบื้องล่างในทันทีนั้นอีกสามคนก็ติดแบบตามในเวลาไล่เรียกกันระหว่างที่เชิฐาและชายยานซุดตัวลงนั่งสำรวจรอยตีนเหล่านั้นอย่างใกล้ชิดพรานใหญ่ก็เพนข้ามสายทานน้าเล็กๆไปยังอีกฝาก่า แล้วตายรากไม้ขึ้นไปยังฝั่งตรงข้ามบุญคาำตามนายขึ้นไปด้วยอึดใจใหญ่ต่อมาทั้งสองจึงย้อนกลับมาที่เดิมอีกครั้งสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยปริศนายิ่งทาให้ทุกคนงงงงหนักขึ้นได้ร่องรอยอะไรเพิ่มเติมไหมเชษฐาถามมีรอยขึ้นฝั่งทางด้านนี้ประมาณ3ามรอยครับตัดไปทางด่านด้านใต้แต่ก็ระยะสั้นๆเท่านั้นเพราะพื้นแข็งเป็นหินดานปนกรวด แต่รอยที่ปรากฏอยู่ในลาห้วยนี่มันไม่น้อยกว่าห้าคนทีเดียวช ย, ยันว่าว่าแต่ทางฝั่งเรามีรอยบ้างหรือเปล่าเชษฐาเอ่ยต่อมาโดยเร็วเวงยหน้าขึ้นไปยังฝั่งเดิมที่ลงมาขนาดนั้นเองขยินผู้เดินก้มๆเงยๆราวกับหมาร่านเนื้อห่างขึ้นไปทางตอนเหนือของลาห้วยได้มาถึงตําแหน่งที่ต้นไม้ต้นหนึ่งล้มพาดขวางลําห้วยกลายเป็นสะพานข้ามก็ร้องบอกมาอย่างตื่นเต้นว่านายมันตายมาบนต้นไม้นี้ด้วย เชี่าดาลินแชายยันเพนกลับขึ้นไปยังลาห้วยฝั่งเดิมแล้วตรงเข้าไปยังขยีนผู้คลานผังภาพตรวจรอยอยู่บนลาต้นไม้ที่ทอดขวางอยู่นั้นแล้วเพนกับบุญขามก็วิ่งอ้อมมาอีกฝ่าหนึ่งและถึงด้านปลายของต้นไม้เก่าๆต้นนั้นรอยโคลนสีแดงเป็นเลือดติดอยู่กับลําต้นไม้อันมีลักษณะเป็นสะพานข้ามลาห้วยนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอยของมืออันเปื้อนโคลนที่ใช้ตา่าไปยุงตัวไปพอจะสังเกตเห็นได้ถนัด เกิดกับเซยผู้เดินพ่านอยู่บนฝั่งห่างตะลิงออกไปก็ให้สัญญาณเรียกทุกคนอีกครั้งที่โคลนไม้ใหญ่ต้นหนึ่งห่างจากริมฝั่งห้วยตำแหน่งที่ขยินพบรอยตายต้ยตนไม้ข้ามห้วยออกมาประมาณ20ิบเมตรรอยตีนชนิดเดียวกันไปย่ำวนเวียนอยู่ที่นั่นโคลนที่ติดจากตัวยังมีรอยเปิอะไว้กับใบไม้เน่าๆใต้โคนต้นและที่ลําต้นตรงโคนบางแห่งก็มีรอยโคลนอย่างเดียวกันนี้ติดอยู่ด้วย แต่จากรอยเท้าที่เห็นเป็นพยานหลักฐานอยู่ยืนยันได้ว่ามีอยู่คนเดียวเท่านั้น